ไม่ใช่เราไปตามไปตามรู้มันตามรู้มันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเป็นกลังซะก่อนก่อนที่เราจะตามรู้มันเราจะต้องให้ใจของเรามีกาลังซะก่อนเพราะฉะนั้นที่ลงุงลุงปู่สาวลุงปู่มั่นนลุงตาท่านพยายามเน้นพุโทโธพุโทโธพุทโธให้ใจสงบเลยเพื่อที่จะมาหยุดความโลภความโกรธความหลงอ่ะที่เป็นกิริยาที่มันมาเพ่นพ่านในหัวใจของเรา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 นี่นะ ย, ยุคพระพุทธเจ้านะ่ยมีแต่หมายถึงว่าผู้ที่ท่านมีบารมีมากแล้วผู้ที่ท่านมีทุลีอยู่ในตาเบาบางแล้วพอมีพุทธเจ้ามากําหนดเนี่ย เ, เธอจะส่งไปนู่นส่งมานี้ส่งมาตามนี้ส่งมานี้ส่งมานี้สม น, สนี้จิตมันไปตามกระแสรธรรมะที่ท่านบอกที่ท่านปองทรงตรัสเน่ยสละจิตมันก็ผ่านไปได้ทะลุไปได้แต่สําหรับพวกเราสุดท้ายปลายปลายยอด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 ในรูปปัสมาบัติในอรูปปัสมาบัติแล้วก็ยินดีในผลของธรรมะที่เราประพฤติได้ปฏิบัติได้ถ้าเรายินดีปับ๊บเป็นราคะทันทีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติเพื่อวิราคะวิราคะให้ประสิทธจากความกำหนัดความยินดีที่จะประสิทธจากความกำหนัดความยินดีได้จะต้องจิตของเรานี่มีความสงบแล้วกขับต้นดูอารมณ์ทีละอี ดูรากเง่าเข้ามูลรากเง่าเข้ามูลของราคะรากเง่าเข้ามูลของโทสะของโมหะละเอียดลึกขึ้ไปก็คือโมหะนมันละเอียดแท้แหละหลงเหมือนกับมีเส้นผมเส้นผมเส้นเดียวมาบังมาบังดวงตาของเราเนี่ยพอมันบังเลยทําให้ตาเรามองมองเห็นไม่ไม่ทะลุไม่หมดมองเห็น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 ยึดละเอียดถึงขนาดนั้นก็เป็นราคะราคะกับสิ่งกับของกับของใช้ของสอยของใช้ไม้สอยเกี<อ>ย่<อ>ยวกับจตุปัจจัยทั้งสี่ที่เราใช้เราสอยอะไรตัวอะไรนี่ท่านก็เรียกว่าราคะแปลว่าความกำหนัดความยินดีละเอียดนะดูไม่เห็นนะดูที่อื่นดูไปที่จิตของเราเราจะเห็นมันเป็นผลิตผลของอะไรมันเป็นผลิตผลของความอยากของตัณหานั่ยแหละ ความอยากมันแสดงกิริยาให้เกิดความโลภพลิกมาอีกอันหนึ่งเกิดความโกรธพลิกมาอีกอันหนึ่งความหลงความลุ่มหลงมันละเอียดไหมเราดูถ้ากิริยาความของความโลภกิริยาของความโกรธกิริยาของความโลภกิริยาของความโกรธนี่มันละเอียดไหมกิริยาของความหลงแสดงกิริยาออกไปออกไปภายในจิตอ ความโลภความโกรธเนี่ยสามารถไปเกิดในพรหมโลกได้จิตที่ยังมีความโลภความโกรธอยู่สามารถไปเกิดในรูปรู ป, ปประพรหมได้สามารถไปเกิดในอรู ป, ปประพรหมได้ความโลภ ก, กับความโกรธนยถ้าความหลงเนี่ยเลยนั้นไปหมดแล้วเลยนั้นไปหมดแล้ว ยังมีความโลภความโกรธอยู่แต่ยังมียังมียังมีความหลงอยู่แต่ความหลงไปไปไม่ถึงไปไม่ถึงไปไม่ถึงพรมสุทาวาสพรมไปไม่ถึงความโลภกับความโกรธไปไม่ถึงเหลือแต่ความหลง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 จึงมากกว่าการยึดยึดก็คือติดยึดก็คือติดยึดก็คือติดยึดมากติดมากยึดน้อยติดน้อยยึดหยาบติดหยาบยึดละเอียดติดละเอียดทัานจึงให้ปล่อยมิตรก็ปล่อยมิตรกับปล่อยนี่เราพูดเพื่อให้พวกเร า, ามีกําลังใจในการทําจิตให้ได้รับความสงบไปพูดตามหลักที่เขาบางบา ง, บางคนก็พูดสมถะเสียเวลาสมถะเสียเวลาสมถะเสียเวลาที่ไหน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 แต่ภูมิของความสงบนั้นมันมีอ่ามันมีอนุภาพของมันอยู่มันมีรสชาติของมันอยู่มันมีความสุขมีความอิม่มเ อ, อิบจึงเป็นเหตุให้เราติดได้ถ้าเร า, ย, นนเรายึดผลอันนี้เรายึดผลอันนี้ก็คือเราติดสิ่งสิ่งเหล่านี้เราติดเราติดสิ่งเหล่านี้กลายเป็นการที่เรายึดผลอันนี้แหละมันเป็นการยังติดข้องอยู่ในสมุทย ที่หลวงปู่มั่นพูดว่าถ้าเรายึดสมาธิสมาธิก็กลายเป็นสมุทัยเรายึดปัญญาปัญญาก็เป็นสมุทัยนะถ้าเรายึดปัญญาปัญญาสว่างไสวรอบรู้ทะลุปูโปรงอรายตะลายไปหมดเนี่ยถ้าเรายึดคือมันมีตัวมีตนเข้าไปยึด <u> มีเราเข้าไปยึดมีตัวตวนเข้าไปยึด <u> พอเรายึดปั๊บเนี่ย ติดแล้วพอเรายึดปั๊บเนี่ยติดถ้าจึ่ให้ปล่อยทำจนจนมีกำลังเพียงพอแล้วก็ปล่อยโดยโดยหลักของความอิ่มพอในการพิจารณาหาเหตุหาปัจจัยเข้ามันนี่เราดูเราพิจารณาหาเหตุผลตรงนี้เราจะเห็นความสาคัญของขอ ง, ของความสงบของเราแค่ความสงบอย่างเดียวนี่ก็มีผลมียนิสงเพียงพอ จึงเป็ียนเหตุให้เราติดได้แต่ไม่ใช่เราหงกตาบอดเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนเรายึดอย่างนี้เราก็ติดเรายึดเกาะ อ, อย่างนี้เราก็ติดเราก็ติดเราก็ได้ข้อคิดข้ออ่านแต่ว่าพื้นฐานเราเดินไปตามนั้นอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ปล่อยอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ปล่อยคำว่าปล่อยก็คือกำหนดรู้ก็สักเทวดารู้ไม่ยินดีไม่ไม่ยินดีมันล่วงไปแล้วก็ ไม่ยินดีไม่ติดใจไม่อะไรไม่อะไรเพียงแต่เรานึกเราคิดให้เกิดกำลังใจบางบางการบางคราวแต่ก็รู้ดีใจท่านก็ให้รู้ท่านท่านให้รู้กำกับเข้าไปอีกเป็นซ้อนๆซ้อนๆซ้อนๆเ น, น, น, นี่ยวันนี้เลยพูดธรรมะก่อนเนี่ยเดี๋ยวเสียสักหน่อยหนึ่งพวกเราจะนั่งภาวนาไป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 นะด้วยเหตุที่ ท, ท่านเจริญสมาธิมีพลังอย่างนี้เอง mm hmm. จึงสามารถทําให้กิเลสอนุใสที่มันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจเนี่ยมันขาดไปได้มันทะลุไปได้มันขาดกระเด็นไปได้แต่ตรงกันข้ามไปตามตน้นเหมือนอย่างที่เขาไปไล่อภิธรรมเนี่ยไม่จบตามต้นไปก็ไม่จบรังเลสงสัยอยู่ในนั้นแหละตามต้นไปเท่าไหร่ไม่จบตามต้นไปเท่าไหร่ก็ไม่จบดูไปแล้วมันเป็นการ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 กลายเป็นเตะกันไปเตะกันมาอยู่นั้นทั้งๆที่จิตดวงเดียวนี่แหละความโลภมันก็เกิดที่จิตดวงเดียวความโกรธก็เกิดที่จิตดวงเดียวราคะตัณหาก็เกิดที่จิตดวงเดียวนี่แหละความรุ่มหลงเต็มพื้นเต็มพืชอยู่ในจิตดวงเดียวนี่แหละมันจะมีลายดวงที่ไหนเหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงท่านพูดถึงพวังพวังจิตเนี่ย ท่พูดถึงผวางขาจิตปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตผวังขจิตผวังขจลณนะอะไรก็ไม่รู้เลยถ้าพูดถึงผวังขจิตโอ้ต้องพูดละเอียดมากเลยความรู้เหล่านี้มันเป็นภูมิเป็นภูมิของท่านเป็นภูมิของพระสาวกพวกเราไปเอามาเรียนแต่มันละเอียดมากนะ เราตั้งใจปฏิบัติสมสถะวิปัสนาเนี่ยเราเรียนมันไม่ขัดกันยิ่งทําให้เราเข้าใจดีขึ้นแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะให้สิ่งเหล่านั้นหยุดชะลออยู่ได้จริงๆต้องมาเจริญรอยตามหลักอริยมรรคมิองเปิมีศีลมีสมาธิมีปัญญาบางคนก็บอกว่าโอ้ยเจริญศีลไปเจริญมาพอแรงแล้วไม่เห็นมีกําลังไม่เห็นมีท่าทีว่าจะนุนให้เกิดปัญญาสมาธิ สมาธิกับทำมานานแล้วเจริญเจริญศีลเออให้ทานก็ให้มามากแล้วรักษาศีลก็รักษามามากแล้วจะไม่เห็นมีที่ ท, ท่าทีว่าจะหมดความโลภจะหมดความโกรธความหลงหมดการถือเนื้อถือตัวออัตตาตัวต่วนมันหมดไม่ได้มันหมดไม่ได้หดไไดเหมือนกับปไปไล่นับเฉยๆไม่ได้มาหยุดไม่ได้มาชะลอ แต่ถ้าเราหยุดเจะชะลอแบบครูบาอาจารย์สอนพุทโธพุทโธพุทธโธจิตเราหยุดโอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็กําลังมันก็อ่อนลงนะนอกจากนอกจากสิ่งเหล่านั้นก็กําลังอ่อนลงแล้วจิตก็เราก็มีเกาะมีหลักมีที่พึ่องอีกพอรู้สึกเ ร, าร่าร้อนกระวนกระวายเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นก็ย้อนมาขาหาความสงบปั๊บย้อนเข้ามาสู่ความสงบปั๊บหลบเรียกว่าหลบเหมือนกับหลบแดดหลบฝนหลบพา ย, ยุหลบสัตว์ร้ายสารพัดหลบ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 แสดงออกมาแง่หนึ่งพิษสงของมันก็คือราคะแง่หนึ่งก็คือโทสะมีคนมาขัดขัดคอขัดค้องหนึ่งโทสะเกิดขึ้นมาแหละแต่โมหะหนุนหลังทุกอย่างราคะโมหะก็หนุนหลังด้วยเหตุที่เรารู้ไม่รอบเราจึงเกิดราคะด้วยเหตุที่เรารู้ไม่รอบเราจึงเกิดโลภะอด้วยเหตุที่เรารู้ไม่รอบจึงเป็น เ, นเหตุให้เกิดโทสะ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 รู้ว่าหมดมีญาณทัศนะรู้ว่าพ้นแล้วลุงตาท่านว่าอันนี้แหละยานันนี้แหละเป็นขณะของจิตที่บอกให้เรารู้ว่าเออหมดสิ้นโดยชิ้นเชิงเละหมดสงสยัยหมดข้่องใจหมดสงสัยแล้วเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงแล้นี่เป็นวิมุตติญาณทัศนะคือมียานย่างรู้ตามหลัง หากเป็นโดยเหตุโดยหลักธรรมชาติที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ผู้ตั้งใจฝึกฝนอบรมพระพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจา้าพูดพอเป็นเรียวแรงเป็นกําลังใจาจากนี้ไปพวกเราตั้งใจภาวนาให้ใจสงบพอสงบไปแล้วเริ่มปวดเริ่มเจ็บเริ่มปวดถ้าไม่อยู่ในไม่อยากอยู่ในสงบก็มาพิจารณาความเจ็บความปวดที่เป็นเวทนาพิจารณาที่กาย แล้วก็พิจาณาที่จิตย้อนไปย้อนมาย้อนมาย้อนไปไล่ต้อนกลับไปไล่ไล่ต้อนกลับมาให้สักแต่วารู้สักแต่วารู้สักแต่วารู้แต่มันมีพลังเพราะเราสั่งสมเอาไว้กุบ า, าย์ท่านจึงเปี่ยมเหมือนกับว่ามีดเรามันคมมีดเราคม ม, าค ม, มีสมาธิจิตแน่นหนามัน่นคงเท่าไหร่ทั้งถือว่ามีดเราคม พอเราไปทํางานพิจารณาทางด้าปัญญาเน็ดเหนื่อยมันพิจารณาไม่ขาดพิจารณาไม่ทะลุไม่ฉลวงไม่เข้าถึงเหตุปัจจัยส่วนละเอียดเมื่อก็เหน็ดมหนือท่านเถือว่ามาฝนใหม่มาฝนใหม่ก็คือมามาสงบใหม่การสงบเมื่อก็เรามาฝนมีได้คมหนูตาท่านเปรียบเทียบเนีเมื่อเราเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มาฝนมีได้คม ในเมื่อมีเราคมแล้วเมื่อมีเราคมแล้วแล้วเรามีเรามีกำลังกำลังคือสมาธิของเรานี่มีกาลังมีกำลังไปฟันใหม่ไปตัดใหม่ไปพาใหม่ถ้าพูดถึงว่าตัดไม้พา<ม>ฟืนเน่ยเน่ยก็ไม้ดุ่นเก่าฟืนดุ่นเก่ามีดอันเก่านะ่ยแต่ว่าเราฝนฝนนั้มันรับให้มันคมสิเรล่านักสมาธ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 ที่หลงปูมันท่านสอนนะที่หลงตาท่านสอนนะี่เป็นแง่มุมที่ละเอียดทีเดียวเลยและเป็นแง่มุมที่เป็นไปได้เอาตั้งใจภาวนาแหละตอนนี้เอาให้ส ง, งบก่อนเอาเลยตั้งใจภาวนาทีนี้